บุกทูสิบเอ็ดปฤคจิกนุเดือนเนลลโลมกราคมเจนวริกุมภาพันธ์ f e b ร u a r มีนาคม มรเมษายนเอษริลพฤษภาคมมีมิถุนายนจูนมีอยู่หกเดือนอีวิอรุเนลลกมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคมเดือนมีนาคมเ <February>, มษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมิถนากระกฎาคม <July. S 2> สิงหาคม August กันยายนเซปเทมเบอร์ตุลาคมออคตเบอร์พฤศจิกายนนาวมเบอร์ธันวาคมดิเซันวาร์และยังมีอีกหกเดือนด้วยอีวิกูดะ อาจุเลเลกัระกะดาคมสิงหาคมกันยายนจุเลอกสต์เซปติมเบร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออกเตเบร์นาวเบร์ดิเซมเบร์